หรือว่าต้องอดนอนต้องทําอะไรที่ลำบากต้องนั่งสมาธินานนานต้องเดินจงกรมมาลหลายหลายชั่วโมงถึงจะสัมผัสกับธรรมะได้แท้จริงไม่ได้ลำบากอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจริงจริงง่ายถ้ารู้หลักเราจะง่ายที่สุดเลยถ้าไม่รู้หลักนะถึงจะลำบากความยากลำบากทั้งหลายนะมันมันเป็นภาพลวงตาเราเราคิดว่าต้องทาอะไรลาบากลาบากไปแล้ววันหนึ่งจะได้ธรรมะมา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 โลกเขาสมมุตินังเกิดพิมพ์นิยมเป็นแบบนี้ล้ตอนนี้นะก็ไดนะ้นี่เราคอยฝึกนะขั้นแรกเลยหัดรู้สึกตัวให้เป็นก่อนคนในโลกนี้หลงตลอดวันตลอดคืนคือใจลอยทั้งวันทั้งคืนใครรู้จักใจลอยบ้างมีไหมเอางี้ใครไม่รู้จักใจลอยออใครไม่รู้จักใจลอยยกมือขึ้นแค่นี้ก็รู้จักทั้งห้องแล้วเห็นไหมเพราะวัฒนธรรมไทยเราไม่ชอบยกมือ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 เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันรู้สึกไหมมีใครยังไม่ได้เก่าเลยบ้างตั้งแต่เข้ามานี้ยมีไหมรู้สึกไหมหรือว่าไม่รู้หรอกว่าเก่าคุณเมื่อกี้รู้สึกไหมเยอะคันเรื่องเก่าทําไมต้องเก่าเพราะมันคันใช่ไหมร่างกายมันมีความทุกข์ขึ้นมาเ น, นความทุกขนะ์นั้นมันเบียดเบียนตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้สึกตัวเรามัวแต่ใจลอยเพราะมันคันขึ้นมาเราก็เก่าไปเลยเราไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์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 เราต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อจะแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆสิทำได้ไหมเองหายใจออกไปสักหานาทนะีทำไม่ได้นะมันทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้ว น, ะนความทุกขน์นะมันบีบคั้นเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเลยเราก็เลยประมาทนะเราคิดว่าอีกนา น, น ก, กว่าเราจะทุกขน์นะต้องถูกเขาหามมาเข้าโรงพยาบาลก่อนถึงจะทุกข์ในความเป็นจริงเราทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นสักหักนะ คนที่ฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นในร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จะเห็นในร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นวัตถนะุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ําแล้วก็ไปปัสสาวะไปเห ง, ง, งื่อออกอะไรเงี้ยหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกเนะเี่ยร่างกายจริงๆแล้วเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นวัตถุธาตุที่มีธาตุเคลื่อนไหวอยู่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 กำลังจะ16เนี่ยความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนอนาะยุ28เนี่ยความรู้สึกจะหวั่นไหวแลยี่ิบเหวัว่นไหวมาก30หวั่นไหวเยอะเลยเห็นไหมพอสามสิเนีเฉยๆแล้วพอสาชักหวั่นไหวอีกรอบหนึ่งแล้วนะเป็นไหมนะนี่เรื่องจริงนะสองกระจกนะ้ตีนกาอันที่หนึ่งขึ้นนะกลุ่มใจมากเลยพอขึ้นอันที่20เนะีเฉยๆแล้วนะคุ้นเคย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 นะพอถึงวันศุกร์นะสดชื่นสดชื่นนะยิ่งถ้าศุกร์ไหนเป็นลองวิกเอนด์จะสดชื่นเป็นพิเศษใครเคยเป็นไหมหรือว่าชาวสมเด็จนะศรีราชาเนี่ยถึงวันศุกร์โอ้แย่จังเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานนะ <c oughs> เสียใจนะไม่เห็นคนไข้ดิ้นกระแดกกระแดกสงสารอยากมาทำทุกวันเนะนี่ยเราซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะใครรู้ลงไปเรื่อย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 เราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละดีที่สุดเลยจะกินข้าวก็ปฏิบัติทำได้นะเช่นวันนี้เดินลงไปลงอาหารนะโอ้โหมีแต่ของที่ชอบทั้งนั้นเลยสบายใจรู้สึกไหมสบายใจวันนี้เดินลงไปนะมีแต่ของไม่ชอบนะใจแห้งแรงไม่ชอบรู้สึกแม่ค้าพวกนี้ขาด Innovation นไม่มีความคิดริเรื่ออะไรที่ดีๆเลยไม่มีพัฒนาการเลยนะทาอะไรซ้ำซากนี่กินมา30ปีแล้วเหมือนเดิม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 ขันที่สองเนี่ยความกลัวค่อยลดลงลดลงลดลงพอขันท้ายๆเนะี่เริ่มเปลี่ยนจากกลัวเป็นดีใจแล้เดี๋ยวจะเลิกละพออาบน้ําเสร็จเช็ดตัวแห้งแนละ้วตัวจะอุ่นใช่ไหมในหน้าหนาวมีความสุขเลยเห็นไหมจากกลัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นมีความสุขแล้วนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราไปนะหรือเราจะขึ้นรถนะคนสีราชาไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถ้าคนกรุงเทพรู้สึกมากออกจากบ้านมาก็เจอคนเต็มถนนแล้วมีเพื่อนร่วมทางเยอะเลยดีใจไหมนะ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 หรือจิตใจก็จะบังคับให้มันนิ่งอยู่อย่างเดียวห้ามมันกระดุกกระดิกห้ามมันเคลื่อนไหวทั้งๆที่จิตใจเป็นของไม่เที่ยงเราพยายามจะให้มันนิ่งคงที่ตลอดเวลาเราก็เครียดสิพยายามทําอะไรที่ฝืนธรรมดาฝืนธรรมะฝืนธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติคือทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแตทุกอย่างนี้ยบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนี่เราพยายามจะบังคับมันพยายามจะให้มันดีพยายามจะให้มันสุขพยายามจะให้มันอยู่ถาวร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 เคยทุกข์หนักๆก็เหลือทุกข์น้อยๆนะเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์นิดเดียวสั้นนิดเดียวความทุกข์ผ่านมาพอแค่รู้สึกมันก็หายไปแล้วอันนี้ความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ในร่างกายต้องมาปรึกษาหมอนั่นแหละหมอก็ทุกข์นะนั่งสารเหมือนกัน <laughs> <laughs> อพอสมควรพอไหมให้โบสถเพราะครับมีมีคนที่จะส่งกันบ้านอยู่ครับเชิญครับก็ขอท่านแรกเลยครับส่งกันบ้าน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 เจ้าค่ะแล้วโยมต้องอติดนิ่งไปไหมเจ้าค่ะขนาดนี้นิ่งเกินไปแต่ขนาดนี้มันเออเร่อนะมันผิดธรรมชาติกลัวหลวงพ่อมันเลยนิ่งเจ้าค่ะกลัวเห็นไหมตัวจริงไม่นิ่งเนแเริ่มเคลื่อนนะดูออกไหมเจ้าค่ะเยเราปล่อยให้มันเคลื่อนแล้วเราตามดูไปเราถึงจะเห็นแต่ของไม่เที่ยง <ขอ S 1> ไม่ได้ฝึกให้เที่ยงนะ <ขอ S 1> ไม่ติดสมาธิใช่ไหมคะ่ะไม่มากอ่ะนะไม่มากคนนี้ติดแรงกว่า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 รู้สึกไหมตรงที่รู้ทันเนี่ยใจมันคลายออก ร, รู้สึกไหมเนี่ยเราต้องหัดดูสภาวะเงี้ยดูสภาวะจริงๆที่กําลังปรากฏพารู้ปับ๊บนี่ยมันจะคลายออกเองเลยนใจเมื่อกี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งรู้สึกไหมตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กลับไปเพ่งไว้อีกแล้ว <S <S งงรู้ลงปัจจุบันเป็นงงรู้ว่างรงรู้สึกไหมใจตะกี้นี้ที่หลวงพ่อว่าดีกับตอนเนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้มันนิ่งนิ่งดูออกไหมเนี่ยเราติดสมถะนั่นเองใจก็เลยนิ่งอยู่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 ยี่สิชั่วเหรอได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะแล้วนั่งข้างนี้กันหมดเลยเหรอหลวงพ่อต้อง <c oughs> เปลี่ยนท่านั่งแล <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวหมอต้องหาอะไรมาดามคอแลาอ้าว <c oughs> ว่าไปครับน ม, มัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเออโยมมีอะไรต้องแก้ไขไหมเจ้าคะอย่ากลัวสินะใจเราแย่แย่ให้มาเราก็รู้ทันรู้โลงปัจจุบันไปไม่ต้องแก้คําว่าแก้เนี่ยเป็นเรื่องของการทําสมถะกรรมฐาน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 ตรงนี้ เ, นเราไปกดเบรกแล้วตรงที่หัวรอ้อนตะกี้นะั่นแหะจิตเป็นธรรมชาติที่สุดเลยะนะอย่างนี้ก็คือถ้าจะปฏิบปทารมคือไม่อ่านเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเข้าคอร์สก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นเลยฝึกด้วยตนเองก็ได้อยู่ที่ไหนต้องทําที่นั่นเพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดคอร์สนะเคยรู้สึกไหม <c oughs> มีคนมาถาม <c oughs> หลวงพ่อเมื่อไหร่จะจัดคอร์สบอก <c oughs> เออพระพุทธเจ้ายังไม่เคยจัดเลยเนให้เราจัดได้ไง <c oughs> เราจะเก่งกว่าท่านหรือ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 รู้สึกแม่ใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมนีภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วแล้วมีจะต้องปฏิบัติอะเพิ่มเติมอีกไหมครับทํางานนัดเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วก็ค่อยดูมันไปเรื่อยครับผมดูไกลทํางานไปเรื่อยแล้วจิตเคลื่อนไหวมันจะเห็นชัดเลยครับผมนะขอบคุณครับดีภาวนาใช้ได้ละวนักวิชการหลวงพ่อค่ะ อ, อนณขณะนี้ยังกดอยู่ แต่ว่าที่ผ่านมาอย า, ากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูฝึกแล้วคือตามรู้ตามดูแล้วเห็นอารมณ์มันอยู่ห่างๆ <S <S <ช>ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ว่าอย่าจงใจให้อยู่ห่างนะอย่ามีความเจือด้วยการจงใจให้มันอยู่ห่างๆนิดนึงมันประคองความรู้สึกตัวมากไปนิดนึงนยังมีอยูม่มีนิดเดียวแล้วแล้วหนูก็คือแบบคือตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่ารู้ตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะก็คือให้รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่รู้นะรู้สบายๆนะเนะติมคําว่าสบายๆเข้าไปด้วย เพราะเวลาเรารู้บางทีเรารู้จริงจังเกินไปนิดนึงดูให้สบายนะแล้วมีความสาุขภาวนาแล้วต้องมีความสุขจำไว้นะถ้าภาวนาแล้วมีความทุกข์แสดงว่าทําผิดแน่นอนจิตที่มีความทุกข์เป็นอ ก, กุศลและจิตจำไว้น ะ, ะจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีความสุขมีความสบายขอบคุณค่ ะ, ะ, คะแม้อย่างนี้20สิคนสบายมากเมื่อกี้สบคนดใกล้เดี้ยง ม, มาอย่างนี้สู้ตาย ว่างไงอยากถามว่าที่ทําอยู่นี่ถูกต้องหรือเปล่าคะท ำ, ทำแล้วทำง <ทำ S 1> <boarding S 2> ไงนิ่งแล้วมันเกิดมิตรขึ้นนั่นแหลมติดสมถะอยู่นิ่งไปทําสมถะแบบไหนคือนั่งแล้วดูจิตดูจิตตัวเองค่ะดูลงหายใจค่ะเอาเอาไม่ลงแล้วนั่งให้หลวงพ่อดูตรงนี้เลยลืมหลวงพ่อไปลืมไปนึกว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูแล้ว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 ใครอยากหัดสมาธินะนั่งไปแล้วก็คอยรู้สึกอย่าให้เคลิมเห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ใช่ได้จิตแอบไปคิดทราบไหมบางครั้งก็ทราบค่ะหัดรู้บ่อ ย, อยๆต่อไปพ <Okay. S 1> ระใจไหลแวบรู้สึกเลยรู้เองอะ่ะเียไหลอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกรู้เฉ<า>ยๆไม่ห้หามนะอย่าไปห้ามมันอ้าบไปหมดยัง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 ถ้าเมื่อไร่เดินด้วยความมีสติทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเนั้นอย่างเราเดินริมทะเลนะเห็นทะเลสวยใจเราชอบเพื่อมารู้ว่าชอบอย่างนี้ก็ใช้ได้แนละเห็นนกบินมาใจเราพอใจรู้ว่าพอใจกําลังเดินชมไปชมมาลถมาเฉียวโมโหแนละ้วรู้ว่าโมโหไปนะฝึกอย่างนี้นะฝึกไปอย่าไปฝึกให้นิ่งนะบังคับตัวเองแรงไป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 แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาาาสิ้นกาละนานกาละนานเถินเดี๋ยวต้องมีให้พรตามธรรมเนียมยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานางอุปะกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนราโสยาทามณิโชติราโสยาทาสัพีตโยวิวัชชนตุสภโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาฒนาศีลิสนิจัอุทธาปจจายโนจัตตาโรโอธรรมาวทฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง